ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธชาเรื่องบริโภคสี่โดยพ่อท่านโพธิรักเทปชุดนี้ได้อัดไว้นานแล้วระบบเสียงค่อนข้างไม่ชัดเจนคณะผู้จัดทหวังในประโยชน์ของผู้ฟังจึงได้จัดทาออกมาขอเชิญท่านเรียกเฟนเอาสารธรรมได้นะบัดนี้ พูดถึงเรื่องการบริโภคนะเรื่องการบริโภคสสู่กันฟังหน่อยหนึ่งระการบริโภคสมีหนึ่งเถอยะบริโภคไทยไทนะยะหรือเถอยนะสรีอทยอยยอหรือว่า สระไอทอยอทะยะบริโภทัยยะเล็กไทยเลยโดยตรงก็ได้ไทยะบริโภคสองอินะบริโภคออสระ อ, อินเนมอินะบริโภคสามทายัตชะบริโภคธาตุทาตุราโยยะ เมรกาชาช้าง2ตัวทายัตชะบริโภคสีสามีบริโภคบริโภคสอันที่หนึ่งยยะบริโภคคือการบริโภคอย่างขโมย การบริโภคอย่างขโมยสองอินนาบริโภคคือการบริโภคอย่างเป็นหนี้อินนาบริโภคการบริโภคอย่างเป็นหนี้สามธายัตชบริโภคคือการบริโภคอย่าง ญาติหือการบริโภคอย่างผู้รับมรดกทายะชะบริโภคสสามีบริโภคคือการบริโภคอย่างเป็นเจ้าของการบริโภคอย่างเป็นผู้มีสิทธิหรืผู้เป็นเจ้าของโดยตรงสามีแปลว่าผู้เจ้าของ เราความหมายแปลสั้นๆง่ายๆถ้าผู้เข้าใจแล้วได้รับคำแปลแล้วก็มีปฏิภาณในการที่จะรู้ความหมายเมื่อมาวิจัยเอามาเทียบเคียงเข้าพิจารณาดูก็จะรู้ว่าการบริโภค4ี่นี้เป็นการบริโภคที่เร็วจนกระทั่งถึงดีสุด การบริโภคตั้งแต่ถยิยะหรือไถยะบริโภคนั้นเป็นการบริโภคอย่างเร็วที่สุดต่ำที่สุดการบริโภคอย่างที่สองก็ยังใช้ไม่ได้แต่ก็ดีขึ้นมาบ้างเพราะความต้องเป็นไปหรือว่าจำเป็นส่วนการบริโภคที่สี่ที่ห้า เออที่3าที่สก็ที่3าที่ส ก, 3, 4, ก็ค่อยดีขึ้นจน ถ, ถึงดีสุดอย่างสมบูรณ์ถลาไถยะหรือเถอยะเนี่ยแปลว่าการขโมยแปลว่าการลักแปลว่าการโจรกรรมการบริโภคก็คือการใช้การกินการเอามา ทำประโยชน์กับตนเอาสิ่งใดมาก็แล้วแต่เราจะเอามาใช้มากินม า, าทำอะไรขึ้นกับเราเองเอามาเป็นสิ่งที่เราจะเป็นผู้ใช้เป็นผู้ใช้สอยการบริโภค สิ่งนั้นเป็นสมบัติสิ่งนั้นเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะรับเข้าไปเรื่อบริโภครับเข้าไปมีทั้งเครื่องบริโภคนอกเครื่องบริโภคในถ้าสิ่งสำคัญจำเป็นเครื่องบริโภคนอกท่านแบ่งออกเป็นสองบริโภคในแบ่งออกเป็นสองเป็นปัจจัยสี่ เครื่องบริโภคในก็มีอาหารยารักษาโรคเป็นต้นเครื่องบริโภคนอกก็มีเครื่องนลงแลนที่อยู่เป็นต้นนี่ว่าปัจจัยส่เป็นแบ่งออกเป็นเครื่องบริโภคนอกเครื่องบริโภคในอย่างนี้ทีนี้เรื่องเครื่องบริโภคอื่นๆ ไหนๆอื่นๆใดๆก็ตามมันก็จัดลงมาได้ในเครื่องบริโภคนอกบริโภคในอย่างนี้แหละแล้วแต่ว่าเราจะเอามาบริโภคสิ่งนั้นก็เพียงแเพียงเอามาบริโภคด้านนอกอีกสิ่งหนึ่งก็เอามาบริโภคด้านในเราจะต้องใช้เราจะต้องใช้สอยรอเราจะต้องบริโภคอย่างนี้ในชีวิตทีนี้ผู้ที่ เอามาบริโภคหรือได้สิ่งที่จะมาใช้สอยได้สิ่งที่จะมาบริโภคและก็ทำการบริโภคเมื่อทำการบริโภคไปแล้วผู้นั้นมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์บริโภคอย่างขาดทุนหรือบริโภคอย่างไม่ขาดทุนเลยอไอกําไรนะ่ะ ไม่มีฟังดีๆนะคนที่ไปได้ของฟรีจากของคนอื่นเขามาบริโภคแล้วหลงตนว่ากำไรไม่มีไม่มีนั่นคือขาดทุนแล้วคนไปเอาของคนอื่นเขามาบริโภคไม่ใช่สิทธิเพราะฉะนั้นพูดใดที่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเชื้อเยื่อที่จะพอเป็นไปให้มีค่ามีคุณหรือมีการเกี่ยว ก, กันเกาะโดยปริยายเกี่ยวกาะโดยมีสมมุติมีสิ่งที่พออนุโลมพอจำเป็นทูไทอะไรก็อะไรไปบ้างไปเอาของเข้ามาบริโภค โดยที่เราว่าเราไม่มีสิทธิ์มีส่วนส่วนเกี่ยวส่วนข้องก่อหม่มีสิทธิ์ก็ไม่มีปางนี้ก็ไม่มีปางก่อนก็ไม่มีผู้ที่เอาของเข้ามาบริโภคมาใช้สอยเข้าไปอย่างนั้นเรียกว่าเถืยะบริโภคบริโภคอย่างขโมย การจะกินจะใช้การจะเป็นจะมีจะอะไรจ ะ, อ, ะรอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างนั้นบริโภคอย่างขโมยทุจริตกิโกงเอาเปรียบเอารับ อ, อันนี้ก็ขยายความขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยขยายเป็นชั้นๆเดี๋ยวชั้นที่สามว่าการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างแหลกเลยอันนี้ชั้นที่สองมีขาอหมายอย่างนี้ เมื่อกี้แปลอย่างสั้นๆเอาความตอนนี้ก็ขยายความขึ้นมาเพราะการจะบริโภคการจะใช้สอยจะกินจะอยู่ก็ตามจะกินจะรับประทานเข้าไปข้างในก็ตามข้างนอกก็ตามที่เราเอามาใช้อยู่ถ้าเราไม่รู้ขั้นตอนอย่างนี้เราจะไม่สังวรไม่ระวัง เราเป็นคนที่ต่อไปก็ไม่ได้เป็นคนหรือแม้ชาตินี้ก็เหมือนไม่ใช่คนนะมันจะเลวเราไม่เอาเรามาฝึกมาเรียนเรามารู้ในโลกนี้เราจะต้องเป็นคนดีเป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนที่มีประโยชน์นะอันแรกเทยบริโภคจึงเป็นการบริโภคหรือการใช้สอยเหมือนอย่างคนขโมยนะ ยี่ยงคนขโมยเพราะว่าไม่มีส่วนไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนไม่มีสิทธิ์ไม่อยู่ในภาวะที่สมควรลักเอาขโมยเอาโจรกรรมเอาพอเขาจะกินจะใช้อยู่ในโลกนี้ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันจะเป็นขโมย เราก็จะต้องพยายามทำตนให้เข้าขายที่ดีขึ้นต่อมาอินะบริโภคคือการบริโภคอย่างเป็นหนี้ขมโม ย, ยหมายความว่ามันไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนมันไม่รู้กันมันเอาเปรียบเอารัดมันตั้งใจดืด้อมันไม่มีกระจิกกระจายมันไม่รู้มันไม่รู้ตัว สุดอินนาบริโภคนี่บริโภคอย่างเรียกว่าเหมือนเด็กน้อยเหมือนลูกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เด็กน้อยเหมือนไม่ใช่ลูกไม่มีส่วนเกี่ยวไม่มีส่วนทีนี้อาศัยเรียกว่าอาศัยขอยืมขอยืมคำว่นะ า, าเป็นหนี้นี่มันของควรยืมนะอินนาแปลว่า เป็นหนี้หรือของควรยืมเขาให้เขาไม่ถือสาไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาเริ่มใสแจกจ่ายเชือจานอนุโลมมีการอนุโลมมีการอาศัยได้ผู้ให้ก็ยินดีก็พอกินพอตัวพอประมาณ ผู้หายก็ยินดีให้กินก่อน เ, อเลี้ยงตัวไปเช่นคนได้รับทานอัจรยาจกเข็นใจคนจนได้รับทานจากาผู้มีใจศรัทธาผู้มีใจดีอย่างนี้เลยว่าไ ด, ได้ทานได้รับบริโภคแต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่อย่างน้อยก็เป็นหนี้บุญคุณ ยังเป็นหนี้อยู่แม้ผู้ให้นั้นจะไม่ได้ถือสาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้ติดไว้ปลดปล่อยปรงวางก็ตามก็ถือว่าเป็นหนี้อย่างน้อยเป็นหนี้บุญคุณที่จริงโดยสัจธรรมแล้วตีกลับยิ่งผู้ที่เขาให้โดยไม่ถือไม่ยึดปล่อยวางหมดให้อย่างหมดตัวให้อย่างไม่ยึดจำ ไม่ยึดจดไม่ถือสาไม่มีมานะไม่หวงว่าเป็นของของตนไม่ต้องการแลกเปลี่ยนอะไรเลยให้อย่างจิตว่างให้อย่างรู้อย่างเข้าใจด้วยปัญญาผู้ให้นั้นยิ่งให้ด้วยค่าสูงผู้รับยิ่งรับยิ่งเป็นหนี้สูงเป็นหนี้แพงโดยสภาวะประมัตด ผู้เป็นหนี้ยิ่งเป็นหนี้แพงผู้ที่ให้เหมือนให้ยืมติดดอกให้ไว้ให้กินแล้วก็ยังจดยังจําโดยยิ่งยังจะทวงเอาบุญเอาคุณแบบนั้นคล้ายๆกับให้ยืมให้กู้อย่างคิดดอกเบีย้ยอย่างนี้ก็เป็นการให้ที่ยังไม่บริสุทธิ์ผู้รับก็รับไปอย่าง ต้องระมัดระวัง ว, ง ว, งวงางวางก็ถูกก็ทวงบุญทวงคุณไม่ทวงด้วยปากก็ทวงด้วยกิริยาทวงด้วยใจอะไรก็ตามใจแล้วมันก็ยังจายังจดยังผูกยังพันใช้อำนาจใช้อะไรถือสาวตเป็นเจ้านี้เจ้ า, เ จ, าเจ้าสินอะไรอยูนะ่อาการบริโภคอย่างเป็นหนีนะ้บริโภคอย่างที่เรียกว่า ยังไม่อยู่ในสิทธิ์ อ, อาจจะมีไม่มีส่วนไปอย่างเดี่ยวเกาะหรือว่าอย่างสมเหมาะสมควรก็เรียกว่าเป็นหนีน้มันเด็กแดงมันเด็กแดงแดงนะเห็นเด็กเด็กคนนี้นะมันไม่มีใครเลี้ยงมันเด็กมันช่วยตัวเองยากก็ช่วยเหลือเกลือกูล ก, กั น, กน ก็เฟือกันคนที่มีปัญญาหรือคนที่มีความดีงามคนประเสริฐก็จะเผื่อแผ่แจกจ่ายเลี้ยงดูช่วยเหลือกันอยู่ไม่พูดไม่ว่าไม่ยิ่งพูดที่สูงก็ยิ่งไม่คิดนะเกื้อกูลกันอยู่เขาให้เขาให้เขาอนุญาตนี่เรียกว่าต่างกันอยู่กับเถอยะเถอยะบริโภคเน่ยเขาไม่ไห้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วน แอบกินแอบใช้แอบช่วยเอาแย่งชิงฉกชิงยิ่งย า, ยาบยิ่งบาปใหญ่ขีโกงปลักปนจีเอาเลยอะไรอะไรยิ่งบาปใหญ่นั่นยิ่งเอยะส่วนเป็นหนี้อินะนี้ยังได้รับอนุญาตได้รับการให้การเอ็นดูหรือว่ามีสิทธิ์บ้างมีส่วนบ้าง ขึ้นมาบ้างแล้วอินาบริโภคส่วนทายัชะบริโภคนั้นบริโภคอย่างเป็นผู้ที่มีบุญมีสิทธิ์ส่วนมีสิทธิ์มีส่วนขึ้นมาแต่ก็กินบุญเก่าแต่ก็กินบุญเก่าถ้าเป็นของของเราเราก็กินบุญเก่าของเรา ถ้าเป็นวัตถุเลยถ้าเป็นวัตถุเลยก็หมายความว่าเรามีสิทธิ์มีส่วนของเราหรือเราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์พอในฐานะของเป็นผู้เป็นทายาทสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตกทอดมาเราหาวันนี้เรากินพรุ่งนี้หรือเราเป็นลูกเป็นเต้า เราก็ยังไม่มีเรื่องมีแรงยังไม่เก่งแล้วก็อาศัยผู้พ่อเป็นแม่เราก็รับจากพอ่อจากแม่กินใชย อ, อย่างนี้เป็นสิทธิส่วนผู้มาอยู่ในนี้เป็นญาติโดยธรรมมันผู้ใหญ่เป็นพอ่อเป็นแม่ผู้ใหญ่จริงพูดเป็นโตๆก็เป็นพี่เราเป็นน้องหรือเราเป็นลูก เข้ามาอาศัยสิ่งที่แสดงมาปฏิบัติทำจริงผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจริงๆเป็นลูกจริงๆเพราะเราเอากรรมเป็นเครื่องแบ่งกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์สัตว์ที่เรียกว่ารูป ก, ก็คือผู้ที่มีแกนมันเดียวกันมีเชื่ อ, อนเดียวกัน มีแก่นจริงงันเดียวกันมีรากฐานนันเดียวกันเพราะฉะผู้ที่เป็นจริงมีจริงปฏิบัติจริงบำเพ็ญจริงตั้งอกตั้งใจจริงมีเปอร์เซ็นต์เพียงพอก็ถือว่าเป็นลูกเรายังไม่แข็งแรงเพราะเรายังไม่แก่งจริงเราอยากเจงแต่เราไม่ได้เราไม่ได้แกล้งสมมันได้ทุนนี้เรายังไม่แข็งแรงเป็นผู้สร้างผู้สรรเพียงพอแล้วก็รับแบ่งไปรับอาศัยเหมือนมรดก นี่เป็นปกติเป็นเรื่องกรรมเรื่องกิริยาเราก็ใช้ก็สอยร่วมไปแต่อย่างโลกก็เอานักถืออธิบายแบบโลกีก็ลูกจริงๆเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกได้รับเป็นทายาทจะกินจะใช้จะสอยอะไรนี่ก็เรื่องหยาบๆเรื่องของวัตถุธรรมเรื่องของทางด้านธรรมะก็อย่างนี้แหละเป็นทายาทอย่างนี้มีกรรมเป็นเครื่องแสดง ว่าเราจะเป็นลูกจริงหรือไม่ใจลูกจริงกรรมทางกายทางวิจีทางมโ น, โนที่แท้จริงก็กินอย่างผู้รับมรดกหรือทายาตกินอย่างทายาตอาศัยกินนีอิทิมทายัตชะบริโภคส่วนสา ม, มีบริโภคนั้นทำเองกินเองมีเองสร้างเองคนรู้คนเห็น มีเหลือมีเฟือด้วยแจกจ่ายคนอื่นก็ได้แจกจ่ายคนอื่นให้เขาบริโภคได้ก็เป็นกำไรเราเรียกว่าที่เมื่อกี้ที่พูดแต่ต้นว่าเราไม่มีกาไรหรในการบริโภคถ้าเราบริโภคคือเราเป็นผู้บริโภคเราเป็นผู้ใช้สอยถ้าเราเป็นเจ้าของเราสร้างเองสรรเองเราทำเองมีเองเป็นเอง เราบริโภคเราก็ บ, ก บ, บริโภคของเราเราไม่เป็นหนี้ใครเราไม่ขโมยใครเราไม่ได้รับมรดกประจากใครของของเราเรามีสิทธิเรามีส่วนเต็มที่สุจริตถ้าเราสร้างเราสรรเราทำเราเป็นเรามีแล้วเราก็เผือแผ่ออกไปให้คนอื่นคนอื่นรับจะรับในฐานะทายาทหรือรับในฐานะผู้ได้รับส่วนเป็นผู้รับผู้ เป็นอะไรนะทายกปฏิฆาหกเป็นปฏิฆาหกเป็นผู้รับช่วงเป็นแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่อะไรก็แล้วแต่หรือว่าไม่ลเราทำเราสร้างแต่คนอื่นมาขโมยไปก็เรื่องของเขามาเอาไปเราผู้เป็นเจ้าของนั้นถ้าจะพูดว่าเหมือนกำไร เพราะถ้าเขาไปเป็นลูกนี้เขาก็ติดลูกนี้อยู่ควรจะต้องกตันญูกตะเวทีถ้าเขาเป็นลูกก็ต้องกตัญยูกตเวทีเป็นทายาิก็ต้องกตัญยูกตเวทีเมือเป็นกาไรแต่ถ้าเผื่ว่าเป็นผู้ที่มีธรรมมีคุณธรรมแล้วจิตใจเข้าใจแล้วไม่ทวงบุญทวงคุณเขาจะใช้หรือไม่ใช้เขาจะให้หรือไม่ให้ให้ฟรี ตายไปเพราะจะเรียกว่ากําไรก็กรราําไรจะเรียกว่าไม่ใช่กําไรก็ไม่ใช่กรราําไรบอกแล้วบอกการบริโภคคือการใช้สอยหรือการที่จะเป็นผู้สร้างผู้สรรค์โดยโดยเป็นผู้มีกรรมกระทําเมื่อกระทําแล้วมันก็เกิดผลผลิตไม่ใช่คนงอมืองอเท้าไม่ใช่คนขี้เกียจสลังยาว แอแฝงซ่อนแฝงอยู่กินแรงคนอื่นเกิดมาเป็นคนแต่ก็กินแรงเขาคนพิการที่เคย อ, อุตสาหาวิริยะเป็นคนที่มีเรี่ยวมีแรงมีความสามารถพยายามกระทำขนาะพิการเราจะเห็นได้บางคนนินเขาอุตสาหาวิริยะช่วยตนเองยังน่านับถือ น่ายกย่งย่งชูเชิร์ทีนี้คนเต็มเต็มคนมีอาการสามสิบสองครบไม่ทำไม่สร้างสรรค์กินเรียวกินแรงคนอื่นเอาเปรียบรัฐมันก็ยิ่งเป็นหนี้ยิ่งเป็นการขโมยจัดจ้านขึ้นล ะ, นะทีนี้ก็ว่ากันอีก รอบหนึ่งอย่างละเอียดละอวิเคราะห์วิจัยผ่าลงไปเอาชัดๆจัดๆแยกแยะละเอียดละเอียดตั้งแต่ชั้นวัตถุธ ร, รมถึงชั้นนามมาทำ อ, อย่างเถอยยะบริโภคการบริโภคอย่างขโมยอย่างไอโจน อย่างนี้โดยโลกโลกพื้นฐานตํา ำ, ำชัดชัดก็เป็นพวกมิจฉาชีพพวกทุจริตก็ออกุศลอยู่ว่าโดยวัตถุโดยทางวัตถุธรรมก็เป็นคนมีกิริยามีการกินการใช้สอยวัตถุต่างๆโดยการไปเอาของเขามาอย่างทุจริตอกุศล โจรกรรมหรือลักขโมยเป็นะเป็นเรื่องตรงๆ ง, ง่ายๆเขาของก็เขาของตรงๆแปรเข้าของเขามากินมาใช้เป็นอยู่อย่างโลกโลกไอ้ยอย่างนี้มันก็ชัดๆง่ายๆอยู่แล้วแล้วก็ขอยืนยันว่าคนมันต้องบริโภคยิ่งเป็นคนโง่เผาผลาญ เปลืองเปล่ากินก็กินมากใช้ก็ใช้มากของนั้นยิ่งใช้แล้วก็ทำลายเร็วเช่นเอามาสลายเป็นควันไปเลยอย่างพวกนักเสพติดเฮโรอีนของเขากว่าจะสกัดาธาตุเคมีาธาตุอะไรในโลกสกัดมาได้อย่างนั้นน่ยเขาก็จะต้องเอาหัวเ อ, เอาอะไร อ, อะไรเนื้อเ น, อเนอ้สันสารเอามาสกัดเข้าเสร็จแล้วก็มาทำลายเป็นควันเป็นไอระเหยไปเลย ทำลายเผาแผลนวัสดุต่างๆแปร ь, เปลี่ยนเอาเป็นสิ่งที่สลายค่าหรือสลายตัวตนออกไปไวดูแล้วมันเหมือนกระทางธรรมในทางธรรมนี่จะสลายอัตราหรือสลายตัวตนในวัยปั๊บเลยนะได้เร็วนะอยอดคนเหมือนกันทีนี้ถ้าทางโลกจะทําลายเข้าของทําลายวัตถุดิบทําลายอะไรก็แล้วแต่ใช้สอย หรือบริโภคอย่างสลายเร็วออกไปเหมือนกันเร็วสุดเหมือนกันนะ้อางตามทางธรรมยอดสุดถ้าสลายตัวตนได้สลายกิเลสได้เร็วๆผลาญเผาเหมือนอย่างทางธรรมก็เร็วชาร์เผากิเลสได้เร็วได้กว่าดีทั้งโลกกับเผาวัตถุเผาอะไรผลาญได้เร็วกลับไม่ดีเลยยิ่งเร็วใหญ่เลย ไม่จำเป็นจะต้องไปเผาผลาเนี่ยมันเร็วอ้าวโดยเฉพาะในด้านวัตถุธรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่ามันไม่เป็นคุณเป็นค่ามันก็ต้องเป็นของที่มีรถจับมีอะไรจับซึ่งจะต้องอาศัยใช้แก้กันอะไรอะไรบ้างเรียกว่าขั้นของพิษมันต้องอาศัยแก้สิ่งอย่างอื่นอย่างอื่นบ้างวันหนึ่งวาระ น, นึงเขาจะใช้ ก็ปล่อยมันมันจะถูกฆ่าของโลกวัตถุของโลกหรือว่าสิ่งที่ประกอบผสมกันอยู่ในโลกเป็นสารประกอบเป็นส่วนผสมมันจะผสมกันเองมันก็จะฆ่ากันเองเป็นในตัวทางธรรมจึงไม่มีการทําลายอะไรเพราะฉะนั้นะจำเป็นเราจึงกินจึงใช้จําเป็นเราจึงใช้สอยจําเป็นเราจึงสลายสังเคราะห์ไปกับตัวเราจําเป็น พเราจะเป็นผู้ที่กินน้อยใช้น้อยพลานวัตถุดิบพลานค่าพลานของในโลกนี้ให้น้อยๆแล้วก็จะผลานจะใช้ก็จะต้องรู้ซ้อนลงไปว่าเราจะเป็นผู้เป็นเจ้าของนั่นแหละให้จริงแม้แต่ชาติตะปางก่อนเราได้รับมรดกเราได้รับทายาทเป็นบุญของเรามันมาโดยง่ายโดยดายเช่นคนมีบุญอทีนี้เข้าถึงขั้น นามาทำประกอบบ้างยกตัวอย่างให้ขัดกระถังด้านขโมยเช่นคนมีบุญหยิบไอ้นั่นจับไอ้นี่ก็เป็นกำารกำไรสามารถได้มาโดยง่ายได้มาโดยเหมือนบังเอิญอยู่ดีๆก็ได้ก็รวยเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยทั้งนั้นที่ตัวเองในนิสัยเลวเหมือนไอ้โจร แต่ก็ไปเป็นรูปคนร่ําคนรวยมีมันบุญเก่าของเราทั้งสิ้นจะบอกว่าสอนบุญเก่าบางทางด้านซ้ายก็บอกว่าเออเนี่ยเพราะทํามาเพราะเกิดไม่บุญดีฉังมีพยายานี้มันบุญไม่ดีมันไม่ได้ไม่ได้ได้หลายล็อกให้จํายอมอะไรไปกีข่ขคาเป็นทาดไปเถอะอะไรอย่างนี้พวกทรายเขาว่าเขาว่านั่นนะเขาไม่ชอบใจคนที่ไม่ขยันหมั่นเพียรไม่ชอบใจคนที่ไม่สร้างไม่สรรมันก็จริงจริง เลวเลวหลายชาตินี้มานั่งกินบุญเก่าคนมีบุญกินก็ตามที่จริงเนื้อสัตว์จะนะแต่พวกไส้เขาไม่มีจิตนิยมก็ไม่ได้เรียนทางจิตจินญานเขาไม่เรียนทางสิ่งที่มันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงทางนามมาทำทางที่พูดก็ไม่เป็ดไม่ได้เป็นอจินไตเป็นวิบากกรรมเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกที่จริงมันมีตัวอย่างยกได้เช่นว่าเอาแต่ชาตบนี้อะ เช่่าผู้ย่าตายายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเลี้ยงไปเลี้ยงไปจนกระทั่งอายุมากขึ้นก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงความสามารถก็ลดถอยก็ไม่ได้ทําอะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ได้ก็ได้ทําอะไรมีแต่ลูกแต่หลานเลี้ยงคนจรมาจากที่ไกลก็มาเห็นคนแก่เนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ทําอะไร กินของลูกกินของหลานงานการไม่ได้ทําไม่สร้างไม่สรรอะไรจะบอกว่าคนแก่นี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณไม่มีค่าไม่สร้างไม่สรรแล้วก็กินแก่แฝงกินนี่เป็นภาระของลูกของหลานเป็นภาระสังคมเขาก็ไม่รู้ว่าคนแก่เนี่ยกินบุญที่ติดสร้างไว้ก็เลี้ยงมาลูกหลานเลี้ยงแต่ก่อน เด็กจะเล็กจะโตอะไรก็ได้เรียงมาแต่แ ต, ตอนตัวเองมีกำลังวังชาได้ทำมาแล้วสร้างสรรมาแล้วเพื่อแผ่มาแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำก็จริงก็กินบุญเก่าลูกหลานก็ต้องเลี้ยงใช้ลูกหลานก็ต้องตอบแทนกตัญญูกตวเวทีคนแก่จึงกินบุญเก่านี่ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ตั้งอยู่ในชีวิตคนจรมาไม่รู้ประวัติ อาจจะไม่รู้ว่าเป็นลูกเป็นหลานก็นได้อะไรงนี้ในลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นบุญเก่าวที่หมุนเวียนอยู่ส่งเสริมส่งทอดกันอยู่นี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นได้ในช่วงระยะที่เราพอเข้าใจพอรู้พอเห็นมันก็ต่อทอดกันอยู่อย่างนี้หรือเราทํามาหาได้เราเก็บรักษาไว้ใช้ ค, ค, ค, ค่อยๆกินกระเม็ดกระแ ม, ม, ม่ไปเราก็ไม่ได้ไปเอาของใครมากินมันก็เป็นบุญเก่าวที่เราเก็บไว้แล้วเราก็กินชั้นใด กรรมที่ไม่เป็นตัวตนเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มันเสริมส่งแล้วรู้ไม่ได้เพราะฉะ น, นั้นใ้คนมันเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมากินกินบุญเก่าที่จริงอธิบายอันนี้แล้วมันคาบเกี่ยวมาถึงอินนะบริโภคคือกินอย่างเป็นนี่เพราะฉะ น, นั้นใ้คนมันเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทอง มากินกินบุญเก่าที่จริงอธิบายอันนี้แล้วมันข้าวเกี่ยวมาถึงอินนาบริโภคคือกินอย่างเป็นนี่ที่จริงก็กินอย่างผลานที่จริงก็เกี่ยวโยงมาถึงทายามาถึงทายัทชาบริโภคคือก็กินบุญเก่าของตัวเองเป็นมรดกเก่าของตนของเดิมแล้ว เ, เกี่ยวโยงกันมาถึงทายัทชาบริโภคคือก็กินบุญเก่า คนตัวเองเป็นมรดกเก่าของตนของเดิมแล้วก็เกี่ยวโยงกันมีสิทมีส่วนแต่ไม่เหลือคนคนนี้กินไปก็ไม่เหลือใช้ไม่ได้มันไม่เหมือนสามีบริโภคสักสิ่งสักเรื่องสักอันนะยิ่งทาเออเถอยยะบริโภคแล้วลราก็ก็ไม่ได้มาเกิดเป็นผู้เป็นคนหรอกนะ กินแบบนั้นน่ะใช้นี่เขาทากันอย่างโลกแล้วก็ไปเอาแบบนี้มากินเขาก็เอาไปติดคุกอะ่ะดีไม่ดีเขาก็ไปปล้นไปฆ่าไปจี้เขามากินเขาก็ประหารชีวิตไปตกตายตามกันไปเลยไม่ต้องกินต่อกันนะไม่ต้องได้ใช้ต่อกันลก็อย่างที่มีตัวอย่างกันแล้วก็มาจะกินแบบขโมยแบบรักแบบจรกรรมกันล้วเกินนะอ่าเพราะแม้ทางด้านวัตถุธรรมก็ดีที่เราเป็นผู้ที่บริโภคทางวัตถุต่าง ก็มีความหมายในนัยยะอย่างนี้ทีนี้ทั้งด้านนามธรรมอยู่ในโลกเนี่ยเราเองเราเป็นผู้ที่แอบแฝงกินเป็นผู้ลักฉกขโมยกินเช่นว่าอยู่กับบ้านกับเรือนใดก็ตามเราก็พลางลวงพูดถึงด้านยากกันนะเป็นคารวะ ไม่ต้องพูดว่าเป็นตัวองค์ธท ร, รมมาอยู่กับวัดอยู่กับวามาปฏิบัติธรรมแล้วก็อะไรไม่ยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ใช่ขันนั้นขันอยู่กับบ้านกับเรือนเขาเมื่อไปอาศัยอยู่กับบ้านกับเรือนเขาไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ทายาิอันใดเมื่อเราไปอยู่แล้วเราก็ฉลาดหน่อยแต่ฉลาดโกงเชโก ทำหน้าไหวหลังหลอกพูดเก่งชอลเลาะอซ่อกให้เจ้าบ้านเจ้าเรือนเขาหลงลมโกหกโกว่าอะไรไว้และตัวเองก็อาศัยกินหลอกล่อหลอกลวงใช้เล่ห์ใช้เล่ห์ไม่ได้ช่วยสร้างช่วยสรรอะไรมีแต่พรานแต่พลากทำลายดีไม่ดีพาเขาไปเร็วพาคนบ้านที่คนดี ไปตกต่ำเลวซามอย่างนี้เป็นคนอยู่ใช้สอยหรือเป็นคนบริโภคอย่างเถือยย่าบริโภคอย่างเถือยย่าบริโภคตัวเองเลวเลวไหลแต่หลอกจะ่ลวงมีทุจริตเป็นอกุศลพาเข้าเล่นหวยเล่นเบอร์พาเข้าไปอบายมุขหลอกลอก่อคน ท่านตี๋เขาทำมาหากินดิบดีอยู่ในบ้านในเรือนเราเข้าม า, าสายเข้ามาเกี่ยวมาคล้องเป็นเพื่อนเป็นสหายก็ตามไม่ได้อาศัยในบ้านในเรือนก็ตามเป็นเพื่อนเป็นอาศักเป็นเพื่อนเป็นสหายแล้วก็เที่ยวแอบแฝงเขากินพาเขาไปบริโภคตนก็ฉลาดพาเขาไปเกล่นการพ น, นันพาเขาไปเสพสิ่งเสพติดแล้วก็อาศัยเสพ พาเขาไปที่จะหลงละเริงละเมงละครการละเล่นเที่ยวกลางคืนมิดชั่วมากหรือแม้แต่พาไปอยู่ในบ้านอาศัยบ้านอะไรก็แล้วแต่เผาพรานเตี่ยวแรงพระวัตถุต่างๆมันสมองหรือปัญญาก็ถูกครอบงา ม, มอมเมาเหลวไหลจูงดึงคนในสังคมทําคนในสังคมที่คขาดีอยู่สร้างสรรค์อยู่กลับกลายเป็นคนล้มเหลวกับกลายเป็นคนสุดโทม เติมต่ำคนอย่างนี้คนอยู่อย่างเถยยะบริโภคในสังคมมีพฤติกรรมนี่อาศัยอาศัยพฤติกรรมเป็นแกนอธิบายเมื่อกี้นี้วัตถุตอนนี้มีพฤติกรรมเพราะจะอยู่อย่างกายกรรมก็ดีวจัจจกรรมก็ดีมโนกรรมชั่วๆเร็วๆอย่างนี้อยู่อย่างเถยยะบริโภคในโลกหรื อ, อยิ่งจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามก็ถือว่าเถยยะได้เหมือนกัน สูงขึ้นไปอีกเราเป็นถึงทายาทโดยรูปประธรรมเป็นลูกเป็นหลานเสร็จแล้วเราเผาผลานทำฉิบพายเป็นอบายมุกทำเลวไม่สร้างไม่สันชั่วเลวเหมือนยังมีเดี๋ยวนี้มีใครมีลูกมีหลานแบบนี้แม้จะเป็นบุญของตัวเป็นบุญเก่าบุญเดิมก็ตามเราทำลายเหลือเกิน ยิ่งกว่าเป็นหนี้จึงเรียกว่าเถยยะยิ่งกว่าอินนะทำไม่ช้าไม่นานมันหมดแล้วป่ะเดี๋ยวมันก็ต่อถ้าชีวิตยังไม่ตายเสียถ้าทำลายบุญเดิมของตัวเองแล้วก็ตายเรียกหมดพ้นชีวิตไปก่อนมันก็ดีไปมันก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นศินอะไรร้ายแรงแต่ตัวเองยังไม่หมดยังไม่หมดชีวิตสร้างแบบนี้ทาแบบนี้มีชีวิตมีพฤติกรรมแบบนี้ แม่จะเป็นถึงทายาถึงทายาชะเป็นลูกเป็นหลานขาบช้อนเงินช้อนทองมากินแล้วก็ทําตนเองอย่างนั้นมันก็เหมือนไอ้โจรขโมยขจรพ่อแม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเอาไปส่งเจ้าหน้าที่ตารวจให้จับเข้าคุกไปเมื่อมกี่วันนี้ก็ลงล ง, ลงนักข่าวพิมที่บอกว่าแจ้งตารวจมาจับปลูกมันไปเสพเฟโรอีนหรือไปติดยาแม่ก็ มดสุดทางก็ไปแจ้งตำรวจไปจับเสร็จแล้วก็บอกว่าต่างกนพอตำรวจจับแล้วก็ก่อนจะไปก็ต่างร้องหม่มร้องไห้กันทั้งแม่ทั้งลูกก็เป็นภาวะที่ไม่รู้จะทํำยังไงละมันสุดทางนี่มันก็เรียกว่ามันมันเหมือนกไ อ, อ้รูปที่มันย้อนแย้งอะ่ะก็ให้จับไปมันมันมันเป็นหนี้ตนะั้งแต่เป็นเป็นะ่ะแล้มันมันหมดบรรดกหมดบุญตั้งแต่เป็นเนะ่ะ แม่มาแจ้งตำรวจจับไปเนี่ยตั้งแต่ที่เป็นแม่แล้วก็ร้องไห้กันคุณฟังดีๆนะทําความเข้าใจให้ละเอียดสุดขมมันเห็นชัดๆเลยว่าไอ้แบบนี้มันเถื่อยบริโภคบอกแล้วเมื่อกี้อธิบายว่าเมื่อเกิดมาเป็นลูกเป็นเต้ามีสิทธิ์มีส่วนหรือว่าถือบุญเก่าเราไม่ได้ทําลาพ่อแม่ทําสร้างสรรมา<ช>เราเกิดมันมีเลยบนเชอกกองเงินกองทองขา้าวช้นเงินช้อนทองมันเลยแต่เล้ยวแหลกเล้ยวไหลเขาพลานเสพ ทำลายจนชุดทนไอ้ทนได้ช่วงนึงพ่อแม่แม่จะร่าจะรวยจะมั่งจะมีมันก็ถ้าคนจิตใจมันเกี่ยวกับจิตใจด้วยไม่อ้าแล้วอันนี้จับส่งบอกตำรวจจับไปเลยแล้วนี้ยก็ยังเรียกว่าเถอยยาบริโภคมันซ้อนซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะมันขานและถ้าขั้นพฤติกรรมถ้าเรายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด แม้ที่สุดเราเป็นเจ้าของเสเองเป็นสามีสร้างสรรมาได้แล้วเราก็ทำลายฉิบหายเผาผลาญแบบอบา ย, ยามุกอย่างนี้มันจะไปเหลืออะไรมีพฤติกรรมเลวบริโภคของตนเองก็จริงมันก็เหมือนขโมยขจรของตนเองหนักเข้ามันไม่พอไม่คุ้มกับที่ที่ตัวสร้างสรรตัวก็จะต้องไปเป็นหนี้เขามา เขาฉันเองฉันทำเป็นมรดกเป็นสิทธิฉันจ ะ, สะเสวยก็ตามเขาพรานไม่เขาทาเขาทางโง่เอวิชาเหลวไหลเลวนะเพราะงั้นพฤติกรรมที่ชั่วอย่างนี้จึงเป็นขั้นต้นขั้นพื้นฐานทุจริตอบายมุกอกุศลต่างๆเราก็จะต้องรู้เรียนรู้ไม่มีพฤติกรรมดังนี้แม้จะมาอยู่ในวัดในวาจะมาพระพุทธธรรม โดยเราพฤติกรรมทางธรรมจริงทั้งกายจริงทั้งใจการงานไม่ใช่ของต่ำต้อยงานใดที่วัดท่านมีงานใดที่เจ้าบ้านมีหรืองานใดที่เจ้าวัดหรือว่าในวัดหมู่กลุ่มคนในวัดมีเราเป็นคนไม่ดูดายแม้แต่คำพังเพยโลว่าอยู่บ้านเขาอย่าดูดายปั่นงวปั่นควายให้ลูกเขาเล่น แม้แต่ทำของเล่นมันก็ยังน่าดีใจถ้ายิ่งทำของเป็นแก่นสารสาระป่วยการกล่าวขยายมันก็ยิ่งมีค่ามีคุณพอแม้อยู่บ้านเขาอย่าดูดายปั่นงัวปั่นควายให้ลูกทันเล่นก็ยังดีนี่ตำสุดแล้วนะปันงัวปันควายให้ลูกทันเล่นไม่ใช่งานสูงหรอกนะงานสูงก็ต้องรู้จักแก่นสารสาระเป็นไม้เป็นมือหรือว่าเป็นผู้ที่ช่วยอย่างดี เขาเป็นเจ้าบ้านในสิทธิเขาหรือเราจะแนะจะนํากันแต่เขาเริ่มใช้ศรัทธาเราเราอยู่ในบ้านเขาเราก็เป็นผู้นําเขาได้ช่วยเขาสร้างช่วยเขาสันพากเขาสร้างเขาสันแล้วเราก็ยิ่งไม่โลกเอาเป็นของเราเป็นผิดเจ้าบ้านเป็นเจ้าของให้เขาเลยให้เขาเลยทำสิขคุณเขาไปในบ้านสร้างให้บ้านเขาต่ารวยแล้วบ้านนี้ไปสร้างให้บ้านใหม่บ้านโน้นเขาไปบ้านโน้นแล้วก็ไปสร้างสรในบ้านโน้นพอจะออกจากบ้านโน้นไปสร้างสร้ให้บ้านใหม่ต่อไปอีกเก่งกว่าเจ้าของบ้านเขาด้วยเชิญสิอย่างนั้น อันนั้นมันอีกประเด็จอีกมุมหนึ่งของคนที่ perse 这个แม้เราไม่เ e r s e เราไปอยู่อาศัยในบ้านในเรือนนะเขาเราก็จะต้องกินอย่างไม่เป็นขโมยหรือว่าใช้สอยอย่างไม่เป็นขโมยไม่ลักไม่เผาไม่พรานไม่พล า, พลาหอาจเป็นคนกินน้อยใช้น้อยมัธยัติเมื่อคนใช้ทุกวันนี้ไม่มีความรู้พวกนี้หรอกคนใช้ที่ไปทำงานในบ้าน กินอย่างขโมยมันมีกระติกกระใจโลกโมโทสันแอบแฝงกิ น, นคนใช่แบบนี้เจ้านายรู้ใครเขาอยากจะเลี้ยงไว้ออไปอยู่บ้านเขาแล้วคนเดินก่อเอาเสร็จแล้วทำงานก็จะน้อยนอยแอบกินแฝงกินไปตลาดก็ยักยอกเงินไปซื้อขา้าซื้อของก็ เงินทอนหรือราคาเท่านั้นกรรมกรขวัดเท่านี้อะไรแล้วแต่พวกขโมยเขาก็มีชิดเป็นขโมยอย่างนี้แต่ อ, อย่างนี้ยังเป็นขโมยอ่อนๆดีไม่ดีมันก็หาทางก็คอยเม้มก็คอยได้โอกาสยกเข่าเลยหอบเกลี้ยงเลยอะไรงี้มันก็เป็นรูปธรรมมาอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมเราเอาการปฏิบัติ ด, ด้วยเอาการที่ใช้สายทางวัตถุเอาพฤติกรรมการงานด้วย อยากเข้าใจว่าในวัดเอาแต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเมื่อเราเป็นผู้มาอาศัยเป็นผู้ที่ห่างอยู่ไม่ใช่ทายาทอย่างใกล้ชิดมีคุณธรรมทางธรรมเราก็ต้องถือว่าเราเป็นผู้นอผู้ไมยผู้ไกลเพราะนั้นจะอาศัยบริโภคในวัด เรารู้แล้วว่าในวัดนี้ไม่ได้มานั่งเอาเปรียบเอารัดใครมีแต่ผูจะมาเสียสละแล้วก็ไม่ใช่การร่ำรวยการยิ่งมากินของเขาเขาให้ด้วยศรัทธามันซ้อนอีกนะมันยิ่งเป็นหนี้สูงบอกแล้วว่ายิ่งเป็นผู้ที่ให้อย่างไม่มีตัวไม่มีตนให้อย่างไม่คิดที่จะทวงบุญทวงคุณยิ่งเป็นข้าที่หาข้าบ่มไม่ได้ซับซ้อนเป็นนามธรรมฟังซ้าอีกฟังซ้อนอีกให้ดี ยิ่งเป็นนี่จับยิ่งเป็นนี่ราคาแพงมากินของวัดจึงเป็นราคาสูงกว่าของบ้านมันซ้อนนะฟังให้ดีนามธรรมอนี้มันแทรกซอนซอนขึ้นเพราะของที่เขาเอามาให้โดยศรัทธานี้ยิ่งสูงเรามาเป็นนักบวชหรือเรามาเป็นผู้อาศัยสงวนจำเนีย พระรัชกานถึงอธิบายว่าเมื่อเรามาเป็นนักบวชแล้วเรากินอาหารเขาอย่างก็กินก้อนเหล็กเผาแดดแดงแดก้อนเหล็กเผาไฟแดงๆหรือเปล่ามันมีภาวะหมุนรอบเฉิงซ้อนซับซ้อนกันไปอีกมาหลอกลวงชาวบ้านเขาถวายด้วยศรัทธานั้นบาปหรือกําลังนะมากินของที่เขาให้ด้วยศรัทธาสัมโณลดแค่นี้เดี๋ยวพระรัชาศจะตรัสเอาไว้เนี่ย เรามากินของที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วแล้วทตนเลี้ยงตนด้วยเดรัจฉานวิชาบ้างทําตนเลี้ยงตนด้วยอะไร อ, อะไรที่ลามกนาจารย์บ้างนั่นแหละยิ่งเถอยยะมหาเถอยยะเลยตกนรกหมกไม้มันสอนฟังดีๆฟังดีๆเพราะมันยิ่งเป็นฐานสูงเข้ามาด้วยสะอาดสะอาดเข้ามาด้วยการศรัทธาเลื่อมสายสนิทใจ เขาแบกหามหาแล้วยังแบกหามแล้วทําอาหารประนีทําของประณีของจะไปถวายวัดถวายพระธรรมดาใครก็รู้เป็นสามัญเป็นสามัญสํานึกขอถวายพระเราเราหาของดีๆมาถวายทั้งนั้นแ่ะใช่ไหมเป็นสามัญสํานึกกินก่อนก็ไม่เอาของจะต้องเอาไว้ให้พระท่านฉันก่อนแล้วเราเป็นลูกศิษย์ยกจ้องชูเชิดบูชาพระนะคน ของที่เขาเอามาทำบุญกับเรานั้นเป็นของเลือกเป็นแล้วยกย้องแล้วเป็นของดบของดีมีส่วนหอยแห่งน้ำใจสูงมากมันจึงราคายิ่งแพงมากและเขาไว้ใจเราด้วยว่าเรากินแล้วเราจะไม่เป็นคนผลานผลานพปลา่ลาเผ า, า, า, าเราจะเป็นคนมีประโยชน์เราจะเป็นคนประเสริฐและเรามาสมมติให้เขาฟังแล้วว่าเรามาเป็นคนประเสริฐเขากลาบแล้ว เขาไหว้แล้วพูดอะไรเขาก็จะเชื่อถือแล้วยิ่งชาวบ้านชาวบ้านนี่ไว้ใจสนิทพระพูดนักบวชพูดเขาเชื่อถือก่อนเขาไม่กล้าเถียงเขาไม่เถียงนะนักบวชเ็าถือว่าเถียงนักบวชบาปอะไรงี้เห็นไหมว่าเขายกให้เราเท่าไหร่พราเป็นนามธรรมเจ้าของวัดเจ้าของบ้านเป็นฐานะนักบวชฐานะยอดนี่จะเป็นเถยะบริโภคง่ายมาก ระวังจะเป็นเถอยาบริโภคง่ายนะไล่ฐ า, านะซ้อนอยู่ในวัดลงไปเราไม่ซื้อไม่หาเขาเรากินของเขามาถวายของคนอื่นเขาเอานํามาให้แม้เราจะเป็นอาคันตุ ก, กะเป็นคนวัดเป็นอารามิกะเราก็ต้องระลึกรู้แต่เขาก็ได้ไม่ได้ถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นเหมือนลูก เราเป็นเหมือนหลานเป็นเด็กเป็นผู้อาศัยเป็นผู้สืบโยงอยู่คนเขาก็ไม่เพ่งเท่าไหร่แล้วมันซ้อนกันไปซ้อนกันมามันซับซ้อนอีกถ้าอย่างผู้ที่เขาให้โดยบริสุทธิ์ทางธรรมนี่ถือว่ามีค่าแพงแพงเขาไม่ได้ให้คุณหรอกคุณเป็นคนวัดคุณกินต่อของผู้ที่เป็นลูกเป็นเป็นพระ เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ให้คุณโดยตรงค่านี่จึงไม่ตรงเขาไม่ใช่สรัทาคุณคุณกินของที่นี้ค่านั้นลดลงไปหน่อยจะฟังดีๆนะมานซ้อนค่าลดไปหน่อยเพราะงั้นผู้ที่เป็นคนวัดเป็นลึกศิษย์นั้นจะถือว่าบาปเท่านักบวชเท่าพระยังไม่ถึงทีเดียวเท่าพระเท่าเนนเมือนเนเองก็ตาม เพราะงั้นในค่าของนามมาทำชั้นสูงซับซ้อนอย่างนี้เป็นอจินไต่มากคิดยากเห็นยากถ้าเข้าใจไม่ดีปเดี๋ยวเชโกเพราะพูดอย่างนี้ผู้เป็นคนวัดผู้เป็นอารามิกะก็จะประมาทซะอีกกลับกันอีกย้อนลงไปอีกตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ที่มาอาศัยแอบแฝงว่ากันจริงพวกคุณไม่ใช่ลูกเค่หลานมาจากไหนก็ไม่รู้จะมาแอบแฝงแล้วจะมีสิ่งที่จะกินได้ใช้อะไรมากด้วย แล้วไม่ทําไม่อะไรแต่ออไรเลยไม่มีอะไรที่จะสร้างจะสรรช่วยเหลือเฟื้อฟายอะไรไม่แอบอยู่แอบกินถ้ามีบุญก็ยังดีไม่มีบุญก็บาปเหลือนไหลแล้วมันเป็นเถือยะดูแลพฤติกรรมดูจะไม่หยาบหรอก<ม>เห็นได้แต่มันซับซ้อนละเอียดละออกขึ้นเพราะว่าคนจะมาอยู่วัดนั้นก็ควรจะต้องเป็นคนที่ อย่างนี้ละอย่างเราเนี่คนวัดเป็นอย่างนี้แต่อย่างโลกนี้ลูกศิษย์วัดอย่างโลกนั้นให้พระหาเงินให้ด้วยให้ใช้แล้วพระก็ไม่รู้จากคุณธรรมใช้คนอยู่ด้วยเหมือนอย่างทาสีทาสาเหมือนอย่างคนใช้ต่างคนต่างใช้ไม่เข้าใจภูมิธรรมกันไม่เข้าใจ จารีประเพณีระเบียบวินัยของพระพุทธเจ้าพระมีลูกศิษย์มีคนคอยรับใช้ชอบใจสบายไม่ฝึกไม่หัดไม่ฝึกไม่ปลือไ ม, ไม่ปดไม่ปล่อยลูกศิษย์ก็เป็นเหมือนคนใช้เลยจะอยู่เรียนอยู่ร่ำเรือ่อนอยู่กินอยู่อยู่ไปอยู่ทํางานทําการอะไรก็แล้วแต่อาศัยของวัดอ่า ถ้าเาะว่าอาจารย์ร่ำรวยก็ขอแบ่งขอใช้ทำตัวเหมือนอย่างกับลูกกับหลานว่าเงน้นเถอะแต่ไม่ได้เป็นญาติโกโยติกาไรมีการทำให้อาจารย์รักโดยประเภทที่อธิบายมาแล้วชั้นหนึ่งเมื่อกี้ว่าประจบประแจงใช้เลสใช้เล ข, เลขอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็อาศัยอย่างนั้นเลวไหลคนอย่างนี้เป็นตัวอย่างมามากอยู่ในวัดไปวาก็มี เอาเปรียบเอารับลักษณะที่จะเป็นลูกศิษย์แบบนี้เขาเรียกลูกศิษย์เป็นทาสเหมือนอย่างทาสแล้วก็หาเงินหาทองให้ใช้มนทําให้พระเลวลงมากบาปมากมากลูกศิษย์วัดทุกวันนี้อย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วพระก็ไม่รู้ทําไม่รู้วินยัยทาสีทาสากุมารากุมารีพระเจ้าทม่เห็เลี้ยงแล้วก็มาใช้เขาเหมือนก็เป็นคนใช้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาพระเจ้าท่านไม่เอา ให้พระนี่จะต้องให้คนมาคอยรับใช้ขอรับใช้และพระก็จะต้องเอาแต่ส่วนที่จำเป็นมีจิตมีจิตนั้นเป็นนามา ท, นะทํานะศรัทธาเลื่อมใสแต่ยังลูกศิษย์วัดนะี่มันไม่อยากทำแล้วนะใช้มันก็เหมือนคนใช้ที่ต้องเนี่ยยังคิดดอกเบีย้ยคิดค่าไว้เลยเนี่ยเพราะ ง, งั้นพระไปเทศไปหาเงินหาทองมาได้มีต้องเอามาให้นะ เดือนหนึ่งก็ต้องใช้ใช้อย่างเงี้ขาดเลือกอะขอเอาไปซื้อไปใช้ไปผ่านไปบริโภคไปน่นไปนี่ถือเป็นข้าเป็นคุณดีไม่ดีก็จะหาเล่ห์เล่ยอุบายให้เทกระเป๋าดีไม่ดีขโมยข้าของทรัพย์สินเงินทองอาจารย์เลยนั่นเลวใหญ่เลยเถอยย่าบริโภคเลวใหญ่เลยเนี่ยอธิบายไปมากขยายออกไปมากกว้างขึ้นนะ อย่างของเราในวัดเราไม่มีลูกศิษย์อย่างนี้ในวัดอื่นเขามีลูกศิษย์อย่างนี้หรือคนวัดอย่างนี้ซึ่งผิดทํานองคลองธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมกันอยู่ทั้งพาอาจารย์เป็นบาปฉุดตาศาสนาลงพราะนอกศีลนอกธรรมนอกจารีดนอกวินัยของพุทธเจ้านั่นก็ขอตัดไปทีนี้อย่างนี้เป็นเทย่บริโภคกันมาก หรือแม้จะขั้นเป็นนี่ก็เป็นนี่กันอย่า ง, างแพงสูงๆไม่อธิบายไล่ขึ้นมาทีนี้จะอธิบายจะทำไล่ขึ้นมาแม้อย่างวัดเราผู้มาอาศัยวัดปฏิบัติธรรมไม่ใช่ลูกสิทธิ์แบบทาตแบบคนใช้คนรับใช้อย่างที่อธิบายแล้วนะแม้มาอาศัยวัดนี้อยู่ประจำก็ตามจรไปจอมาก็ตาม แล้วก็อาศัยของกินของใช้แม้แต่อาศัยเสนาสนะที่หลับที่นอนที่นั่งนั่งกินนั่งเรียนนั่งทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังนั่งทำงานมันยังมีประโยชน์นะนั่งเรียนนี่เราเอานะเราใช้สอยนะเราบริโภคนะเราเรียนเนี่ยเราเอาเราได้นะมานั่งเรียนเนี่ยมาดูเรียนเดิ น, เ, ดนเรียนก็นตาม ฟังละเอียดละเอียดนะเนี่ยไล่เข้ไปละเอียดละเอียดขึ้นแล้วเป็นขั้นสุขุมชั้นผู้มีปัญญาบอกขั้นนามมาทำแล้วราะเรามาอาศัยแม้สถานที่อาศัยอาหารอาศัยเครื่องนุ่งห่มอาศัยยารักษาโรคนี่เป็นปัจจัยหรือแม้แต่อาศัยอื่นอาศัยกระดาษเครื่องเขียนอาศัยตั๊ราอาศัยน้ําอาศัยท่านอาศัยอะไรอีกเยอะแยะมันมีอีกมากละเอียดไปก็คิดเอาเอง เราอาศัยสิ่งเหล่านี้บริโภคอย่าให้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีอยยะเหมือนอย่างไอโจรรับขโมยอย่างนี้อย่าให้เป็นคือเราไม่มีคุณค่าเพียงพอถ้าเราไม่ใช่แกนใช้แกนนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริงจนสามารถ ที่จะช่วยเหลือเฟื่องฟล์ในการที่จะช่วยเผยแพร่ได้จริงนะเขาได้อาศัยทั้งคุณธรรมของผู้นี้ทรงธรรมมีเสขียวัตอัน ง, งามพร้อมแม้เราเป็นคารวาสนะเรามาอาศัยที่นี่เรามีเซขียวัดอันพรั่งพร้อ ม, อมดีเรามีภูมิธรรมดีมีทั้งมันสมองมีทั้งปัญญาทางธรรมมีทั้งกิเลสน้อยผู้กิเลสน้อยจริงแม้จะเป็นคารวาสมาอาศัยอยู่ ก็ไม่กินไม่ใช้เปลืองรู้จักสารัฐรรขยันมันเพียนมีสมาอริยมรคองคแปดรู้จักดำริริเพิ่มแม้จะอยู่ในฐานะของคราวาาจะไม่ใช่คนที่ได้เสนอทำเป็นปรเจอเสนออะไรก็ตามก็มีปัญญาแต่เป็นผู้เป็นอริยะแท้แม้จะมาอาศัยอยู่ในผู้างของคราวาาก็ตาม ก็จะช่วยสร้างช่วยสรนพระผู้ได้ที่อยู่ในนี้ได้ขยันหมั่นเพียรช่วยเหลือกเกื้อกูลทําตนเหมือนคนใช้เหมือนภ้าขีริว้วถ้าเป็นฆราวาส mm hmm. ก็เลววัฒน์ต่ําสุดเป็นคนวดัดเป็นอารามิกะถ้าเราอยู่อย่างภ้าขีริว้วอยู่อย่างนี้ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะเป็นบาปเป็นหนี้ขยันหมั่นเพียรไปทํากิจนนต์กินนี่เพราะฆราวาสถือว่าทํากิจอะไรได้หมดไม่มีข้อไม่มีวิ น, นัยยกเว้นนอกจากทุจริตอกุศล เราไม่ได้ทําทุจริตอกุศลแล้วมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ครารว่ามีศีลห้าเพราะนั้นขณะขั้นศีลห้าเราก็ว่าไปเลยหรืออย่างศีลแปดเราไม่ได้ละเมิดศีลแปดเราถือศีล8ที่นี่ขอถือศีล8ถ้านี้บอกว่าถ้าใครไปใช้บอกว่าให้ทําอันนี้สิโอ้ยนี่ละเมิดศีล8ปดอย่าให้ทําเลยคุณค้านขึ้นเลยอนุญาตอารามีการศีล8ได้แต่ถ้าศีล10บแล้วขอร้อง ถ้าบางทีจะต้องให้ใช้เงินใช้ทองให้ไปซื้อไปหาอะไรอนุโลมศีลแปดได้ศีลสิบแม้เป็นคนวัดก็อย่าเพิ่งแอดเกินการบอกแล้วว่าศีลสิบนั้นมีขั้นตอนนะสามารถเลี้ยงตนในปรีแข่งมีบินทบาดมีอะไรอะไรต่าง ๆ, างๆนานาพอจะถึงขั้นหลักการซ้อนซ้อนอะไรขึ้นไปอีกก็อย่าเพิ่งมันผิดฐานานุฐานนะมันผิดฐานนะาต้องทาให้เป็นขั้นเป็นเชิง ไม่เฉะนนั้นแล้วสังคมนี้เกาะกันอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้รองรับระดับเป็นไปได้ยากยิ่งเราได้ปฏิบัติธรรมเป็นคารวาสอยู่ในนี้ได้ปฏิบัติธรรมก็ดีหรือเป็นนักบวชอยู่ในนี้ได้ปฏิบัติธรรมด้วยมีกิจการงานที่เราทำตามกดตามระเบียบตามวินัยเราก็ทำได้สอดคล้องถูกต้องดีอยู่ถ้าสงสัยก็ถามผู้ใหญ่ถามผู้รู้ อันนี้ละเมิดกฎละเมิดระเบียบไม่ผิดพลาดไมหมถ้าไม่ผิดไม่พลาดทําไปอย่างสบายใจดําเนินไปเราก็จะเจริญหรือแต่ถ้าเราเป็นผู้ขยนันหมั่นเพียรมีหน้าที่การงานนั่นนู่นนี่อะไรอยู่พอบริบูรณ์เราไม่ถนัดจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแม้ไม่ถนัดนะบางครั้งบางคราวเขาต้องการมันไม่มีแรงพอแรงงานไม่พอ ไม่ค่อยเฟ้นไปเก่งเก่กลางๆลางเขาเข้าไปยื่นไปจับจริงๆไม่ได้แกล้งไม่ได้อะไรเขาไล่เราออกหรอกไม่ต้องห่วงเราเขาไล่เราแล้วเราก็ไม่ทําทีเขาไม่ไล่เราเขาจึงต้องการอยู่แรงมันก็ไม่พอเขาก็เอาแล้วก็เอาเถอะมันไม่ได้แกล้งมันเก่งเกงกลางๆลางบางดนิดๆหน่อยๆเขาก็ยังอาศัยอันหนึ่งที่ดีกว่าก็ทํำก็ไปเถอะไม่แปลกอะไรหรอกนี่มันอยู่ที่จิตใจคนคนขยันมันเพียนไม่อ ที่กียดที่คลานมันก็ต้องสบสกันมันก็ต้องสอดสอดร้อยกันอยู่อย่างนี้น เ, เรื่องของการบริโภค4ีนี้ได้อธิบายได้แต่ประสานประเสริฐเงินเข้ามาฟังพิสดารแล้วมันก็ถ้าฟังไม่เป็นก็สับสนหน่อยถ้าฟังเป็นฟังเป็นก็จับฐานฐานะให้ได้เราต้องเป็นผู้อาศัยอยู่ใช้สอยอยู่อย่างมีสิ่งที่ เป็นประโยชน์แลกเปลี่ยนจนเป็นเจ้าของทม เ, เองสร้าง เ, เองขยันมันเพียรอยู่ทั้งรูปทั้งนามทาทั้งท่านถึงธรรมะและวัตถุธรรมแจกจ่ายเป็นเจ้าของผู้ร่ำรวยให้ให้ใ ห, ให้สามีมีแต่จะเป็นผู้เจ้าของแล้วก็มีส่วนให้ให้ใ ห, ให้เป็นพระผู้สร้างแล้วเป็นพระผู้ประทานและเป็นพระผู้มีจิตบริสุทธิ์สามีจิบริโภคสามีบริโภค เป็นเจ้าของบริสุทธิ์บริบูรณ์สร้างสรรค์ทั้งรูปทั้งนามให้ไปหมดแม้เราจะเป็นคารวาสเราก็เป็นสามีได้เป็นเจ้าของได้เพราะเราทําเลื้อเราช่วยเราเลื้อเรามีกระจิกกระจายเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรอยู่ตามฐานานุฐานะมีกฎมีระเบียคมีวินัยเป็นไปดีๆก็อยู่อย่างดีจะเป็นโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าไหร่ก็อยู่ไปได้พระก็อยู่เป็นพระจริงๆเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์อรหันต์ไป สูงส่งไปเท่าไหร่ก็ได้เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา